อันนี้จะเป็นวิธีอบรมจิตใจขอให้พากันเข้าใจอบรมด้วยการฟังอบรมด้วยการนั่งสมาธิภาวนามันมีแบบแผนมาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าน่นเนี่ยพระพุทธเจ้าพราะองค์แสดงธรรมทุกวนันทุกวนัน อยู่ในวัดเทตะวันมหาวิหารนะตอนบ่ายและชาวเมืองหลั่งไหลกันออกไปไปพร้อมกันแล้วพระองค์ก็เสด็จลงสู่ศาลาแล้วก็ทรงแสดงธรรมโฮจวนข้าก็กลับเข้าเมืองกันตอนข้าลงก็เป็นภิกษุสามเณร ไปรวมกันที่ศาลาการกประเรียนเข้าใจว่าชาวบ้านนั่นก็เห็นจะมาลำบากกลางคืนดังนั้นจึงถือเอากลางวันเอาสำหรับพระภิกษุสามเณรเนียเป็นผู้อยู่ในวัดขององ่ายอพอค่ำแล้วก็พากัน เรียมตัวไปสลมสลาคอยฟังโอวาทคำสอนของพระศาสดา น, นี่แหละการอบรมในพระพุทธศาสนานี่นะเ่ระพระเนนบางคนก็ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยพอใจสังเกตดูแลทำพอจะขอไปที่ นั่งภาวนาก็ไม่ได้เพราะชั่วโมงเลยลุกหนีกันไปหมดไม่ทราบว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่อดไปทนกันเลยแล้วเมื่อกี้เลดมันจะไปแห้งไปได้ยังไงแล้วพูกเพื่อนขยันมันเพียยนยิงกิงอันเพื่อนนั่งภาวนาเนี่อันชั่วโมงนี่น้อยไป สองสามชั่วโมงขึ้นไปนู่นหิจิใจมันยังลงอย่างสนิทสนมอันนี้เราเพียงชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้เลยทำไมจะไปอ่อนแอไปอย่างนั่นนะไม่ควรจะไปอ่อนแออย่างนั้นถ้ามันปวดขาตอนนั่งสมาธิ พนไม่ไหวจริงๆกานั่งพับเพียบเอาพิกไปพลิกมามันก็หายปวดอในเมื่อจิตมันยังไม่รวมลงอะ่ะอันเมื่อเพ่งไปมาแล้วจิตใจมันรวมลงแล้วอย่างนี้มันก็หายปวดนี่ก็ลองทำสมาธิภาวนาลงไปให้มันหายปวดหายเจ็บลองดูเป็นยังไงอะ่ะมันเป็นความจริงเนะ ถ้าจิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันหายปวดอ่ะหายปวดหายเจ็บแต่นี่จิตใจยังไม่ได้ผ่านเวทนาเหล่านั้นไปเลยพอไปเจอทุกขเวทนาเข้าหน่อยหนึ่งท้อใจแล้วแล้วอย่างนี้มันจะจิตมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้ยังไงอ่ะต้องพากันเข้าใจ แต่การงานอย่างอื่นเราทำมันหนักกว่านี้ยังอดยังทนกันเนี่ยทำนาทำสวนหลังสู้ข่าหน้าสู้ดินก็ยังอดยังทนกันนะหรือพวกเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนั่งคุยกันในทั้งเป็นหลายชั่วโมงก็คุยกันได้อาศัยกิเลสความรักความใคร่นั่นแหละเป็นเครื่องพยุงใจ ให้ลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปซึ่งมันแตกต่างจากการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมทธิภาวน า, า, น ม, า, วนามีแต่กำหนดละกิเลสเหล่านั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกิเลสอันนั้นมันจึงสมรงกับร่างกายขันห้าอันนี้ทำให้เกิดทุกขเวทนาปูนปั่นขึ้นมาก เมื่อผู้ไม่รู้มายาของกิเลสเตล่านั้นแล้วก็ทาให้จิตใจอ่อนแอท่อแท้มไม่เข้มแข็งไม่นึกกวามาันมันจะมาขัดขวางทางเดินของเราทำให้เราเดินไปไม่สะดวกไม่นึกเลยกลัวแต่เจ็บแต่ปวดกลัวความ ทุกขเวทนาไปไปติดอยู่แค่นั้นแล้วถอยเช่นนี้มันก็กิเลสน้อยหนึ่งมันก็ไม่แห้งลงให้เข้าใจกิเลสมันจะแห้งลงได้ต้องสละตายลงไปจริงๆอา้าวถ้าจิตไม่รวมลงไปเวทนานี่ไม่ดับเราจะไม่ลุกตายเป็นตายนี่ แล้วอธิษฐานใจตรงอย่างนี้ล้วก็อดทนเพ่งจิตเข้าไปมันเกิดทุกเวทนาขึ้นเกิดเพ่งทุกเวทนาให้เห็นเป็นสัแต่ว่าทุกเวทนาไม่ใช่สัตว์ให้ใจบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของของเราทุกเวทนาก็ดีมันเป็นธรรมชาติของขันห้า มันไม่เที่ยงเมื่อมไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องแปลผันไปตามเรื่องของมันแต่มีจิตเป็นผู้รับรู้ความแปลผันของร่างกายเมื่อจิตรู้แจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็อดทนเพราะว่าเราได้มาอาศัยกับมันเรามาอาศัยมันแต่ถ้าเรามากลัวมันเราก็พ้นจากมันไม่ได้เออ ถ้าเราไม่กลัวแล้วอดทนอดกั้นลงปงวางวางลงไปอย่างนี้จิตใจนี้มันก็ค่อยหลุดจากขันธ์ห้านี้ไปทีละน้อยละน้อยไปไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นลอยๆว่าขันธ์ห้าเป็นอ น, นิจจังทุกครังอนัตตาเห็นเท่านี้แล้วว่าจะหลุดพ้นไปไม่ได้อันนั้นเป็นความเห็นต่างหากนี้ เป็นสัญญาความจำหมายต่างหากไม่ใช่เป็นความรู้ที่ว่าจิตปรงวางขันห้าแล้วเพราะเนื่องจากมาเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปรงวางไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้ คิดรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเลยทุกขเวทนาลงไปอันนี้จึงเรียกว่ารู้แจ้งในไตรลัทธนญาณนี่ท่องให้เข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตาในี่ยใครก็รู้ทางนั้นเด็กน้อยก็รู้แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นไปตามอันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นสิ น, นั่นแหละมันจะไป ปล่อยวางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรอ่ะเมื่อรู้จริงๆมันต้องคลงต้องวางเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดถือไว้ทำไมเมื่อรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์อะอย่างนี้จะไปยึดถือมันทำไมนี่นะเมื่อรู้ว่าขันห้านี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเช่นนี้นะจะไป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 เป็นทุกข์จริงๆนะจิตใจที่ยึดเถอขันห้าอันนี้นะก็เป็นตัวเราของเราจริงจังลงไปแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยอย่างนี้แหละเพราะนั้นไอ้ความรู้เท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าเมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วทุกข์จะดับไปเลยจะไม่ปรากฏในความรู้สึกในใจเลยอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคาว่ารู้เท่านี้ไม่เอาจิตที่ไม่หวนไหวรู้ทุกอยู่นวรู้ว่าร่างกายขันหานี่เป็นทุกข์แล้วแต่จิตจงไม่ววนไหวไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ท้อแท้ไปกับความทุกข์ความแปรปรวนของขันหานั้นใจเข้มแข็งอด้นทนทาน ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันหานั้นอ้ยอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้เท่าขันห้าให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปทำใจอ่อนแออาศัยแต่ความจำอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแล้วเอามาบริกรรมอยู่เฉย พอสมควรแล้วเลิกลาไปเสียอย่างนี้ไม่แล้วไม่ไม่สามารถที่จะปรงกวางขันห้าได้แล้วมันก็จะต้องยึดถือขันห้าอยู่อย่างนั้นแหละตายแล้วก็ต้องไปเกิดกับขันห้าอีกอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันได้ไปเกิดกับขันห้าส่วนละเอียดก็ยังชั่วน้อยถ้ามันเกิดกับขันห้าส่วนหยาบ มันก็เป็นทุกข์หลายกว่านี้อีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแล้วผู้ไม่ภาวนาอจิตใจมันก็ถูกกิเลสครอบงำให้มัวหมองเมื่อใจมัวหมองแล้วมันก็ ถึงวาระที่ทำบาปมันก็ทำบาปไปไม่กลัวแล้วบาปใจ ม, มันมัวหมองนี่อัะนนะี้ก็ทำบาปไปถึงเวลาจิตใจใจบุญขึ้นมาก็ทำบุญไปแต่ถ้าผู้ใดกิเลสตัณหาคอบงาหนาแน่นจริงๆเนี่ยมันไม่คิดทางบุญแล้วมีแต่คิดหาทางร่ำรวย เงินทองเข้าของเท่านั้นแหละอืมเปยงันพูดะช่นั้นมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่เงินทองเข้าของนั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่ในโลกนี่เอาติดตัวไปสักชิดนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ก็มีแต่กุศลอกุศลเท่านั้นแนะ่ะนําจิตไปเกิด ในพบใหม่ในชาติใหม่ต่อไปอีกให้พิจารณาให้มันรู้เห็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ภาวนาละบาปอากุศลให้มันได้ให้ใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมให้มั่นคงไปเมื่อใจมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมแล้วมันก็ไม่เสื่อมจากข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่ ที่พูดนี่จะเกณฑ์ให้หลุดพ้นทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเรียกว่าเป็นการเทศปุกใจปลอบใจของผู้ฟังให้เข้มแข็งให้กล้าหาญให้ยึดเอาบุญเอาคุณความดีเป็นกำลังใจแล้วต่อสู้กับมารคือกีเลสนี่ความมุ่งหมายนะ พราะมันคือกิเลสมันไม่ให้ทำความเพียรมันให้กินอยู่สบายนอนสบายไปไหนมาไหนก็ไปสบายนั่งรถนั่งลาแล้วก็ไม่ต้องอขอนขายในการฝึ ก, กจิตฝึกใจอะไรเลยใจนั่นก็ปล่อยตัญหาครอบงาไปเต็มที่ อ, อันชาวเมืองชาวบ้านาส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจมีแต่ทาววัดมีแต่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจริงจังลงไปเท่านั้นแหละที่จะมีการตั้งใจยึดมั่นในคุสนธรรมเป็นกำลังต่อสู้กับมานคือกิเลสโดยการกระทำความเพียร ไม่ท้อถอยไม่เห็นแก่หลับแกนอนเรียกว่าเราทำความเพียรแบบเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็เคยเทศได้ฟังอยู่ไม่ใช่ว่าทำความเพียรเอาจนหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้หลับได้นอนจนร่างกายสร้อม ตรงไปอย่างนี้ไม่ใช่หมายอย่างนั้นทุกคนก็รู้จักกําลังของตัวเองว่าตนเองมีความสามารถเพียงใดอย่างนี้นะตนเองมีกําลังเข้มแข็งดีการทําความเพียรก็ให้เข้มแข็งให้สมกับกําลังดีอย่าไปกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ล้มแต่ตาย ในเมื่อตอนมีกำลังเรียวแรงดีโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ต้องทำความเพียรในเข้มแข็งกลัวที่คนอ่อนแอคนร่างกายไม่ไม่แข็งแรงเช่นคนชราภาพอย่างนี้นะหรือว่าคนโรคภัยเบียดเบียนอย่างนี้มันก็ผ่อนผันไปตามการตามเวลาสำหรับคนหนุ่มมีกำลังเรียวแรงดี อย่างนี้นะไม่ควรประมาทถ้าประมาทแล้วกิเลสมันครอบงำจิตใจทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนเสื่อมจากข้อปฏิบัติเดี๋ยวถ้าผู้หนึ่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็จะเปลื้องผ้าเหลืองออกไปนุ่งดำห่มดำผู้นุ่งขาวห่วมขาว ก็จะเปลื่องผ้าขาวออกไปนุ่งรำหอมดำเช่นเดียวกันอันนี้มันเกิดจากความประมาทเพราะฉะนั้นคนผู้ยังหนุ่มยังแน่นกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่เนี่ยอย่าไปย่อท้ อ, อการทำความเพียรคนหนุ่มนี่แหละบำเพ็ญบุญกุศลได้บุญมากเพราะว่ากำลังยังดีอนนี้เช่นภาวนาเนี่ย นั่งสมาธิเอาอย่างทนทานลงไปไม่ยอดท่องนี่จิตใจมันก็รวมลงได้มากอย่างนี้แหละดังนั้นผู้ที่ออกบวชแต่ครั้งพระเจ้านะั่นนะปรากฏในธรรานุสิแต่คนหนุ่มคนสาวคนสาวนั่นก็ออกบวชเป็นนาพิสุนีนี้ ผู้ชายก็บวชเป็นภิกษุเป็นสามนเณรทั้งนี้เพราะเหตุว่ามันไม่มีพันธะไอ้พวกที่มีลูกมีเมียแล้วนะมันมีพันธะผูกพันไม่มีโอกาสที่จะสละบ้านเรือนออกไปได้เพื่อเสียผู้ที่มีบรารมีแก่กล้าจริงๆอันนั้นเมื่ออปมาเหมือนอย่าง ผลไม้ผลมะม่วงมันสุกความขั่วมันจะพั่วมันเน่าแล้วมันใกล้จะร่วงอยู่แล้วอันนี้ท่านก็อยู่ครองเรือนไม่ได้ต้องสละบ้านเรือนออกบวชไปปฏิบัติให้ดานท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโคใดบันอินทรเซบรมยังอ่อนโย่ในครองเรือนแล้วก็ยากที่จะถอนตัวออกจากเรือนได้ ดังนั้นผู้ที่ยังหนุ่มแน่นไม่ยังไ ม, ยงไ ม, ยงไม่ยังไม่ได้มีครอบตัวเนี่ยอยังเป็นอิสระส่วนตัวอยู่นี่เมื่อออกบวชก็ง่ายได้ไม่ต้องห่วงหน้าเขาวงหลังเ อ, อย่างนี้ดังนั้นเมื่อตนถอนทนออกมาได้อย่างนี้แล้วมันก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วคือเราได้ทําตาม ธรรมเนียมของพุทธสาวกแต่ขั้งพุทธการส่วนมากมีแต่คนหนุ่มดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะไม่มีพันธะ อ, อันนั้นแต่แต่ก่อนนี้เพื่อนมีบา ร, รมีอ่ะเขาบวชมาแล้วในหมูล 400, 500, หม่ละสี่ร้อยห้าร้อยหมู่ละสามิบหมู่ละน้อยอะไรอย่างพร้อมกันไปเรียนพระกรรมฐานกับพระพุทธเจ้า พระองค์ก็พิจนารณากรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตของพระเหล่านั้นแล้วก็ทรงสอนกรรมฐานให้เหมือนอย่างพระภิกษุสามสิบคบวดมาแล้วกขไปขอเรียนกรรมฐานกับพระองค์พระองค์ก็สอนให้ท่องเอาอาการสามสิบสองมขนและฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้นะให้ได้ แล้วก็ไป้พากันไปนั่งภาวนาเพ่งพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ได้เมื่อท่านนั้นเรียนเอาอาการสามสิบสองได้แล้วกดล่ำลาพระศาสดาเที่ยวทอดงไป ขอไปไปถึงหมู่บ้านบ้านหนึ่งแม่ของนายบ้านเห็นเข้าก็เลยถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะจะลึกไปที่ไหนท่านท่านก็บอกว่าจะเที่ยวจะลึกไปหาที่ภาวนาที่สงบส ง, งัดอย่างั้นเออถ้าอย่างนั้นก็ที่ใกล้กับบ้าน ของอ้ันนี่ก็มีเป็นป่าเป็นที่สงบสงัดขอนิมนต์พระคุณเจ้าพักอยู่ตรงนี้ก่อนนิ้ฉันจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเขาให้เขาประกาศทาวบ้านไปจัดทมเสนาสะนะให้องค์ละหลังละหลังแล้วค่อยไปอยู่อาศัย แล้วแม่แม่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้เกณฑ์ชาวบ้านออกไปทำที่พักองระหลังละหลังคงจะเป็นที่พักชั่วคราวนั่นแหละอ่อ่นนให้คงจะไม่นานนะทำที่พักอันนั้นนะแล้วก็มาในมน์พระเหล่านั้นไป พักอาศัยฟังว่าป่านั้นเป็นป่าใหญ่สมัยโบราณตะก่อนนี่อย่างว่าคนยังไม่มากป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อ่าอย่างนี้ท่านนั้นท่านเหล่านั้นไปอยู่อ่าเรก็แม่ของนายบ้านนั้นก็ให้ชาบ้านปลูกสาลาเป็นที่ชุมนุมของพระเหล่านั้น ไว้เอกเทศแห่งหนึ่งเช่นนี้แล้วมรินพระลานั้นท่านก น, นัดกันว่าพวกเราจะทำเกาะไว้แขวนไว้นี่เมื่อเราไปบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ยนี้ถ้าว่าใครมีความขัดข้องอะไรต้องให้มาตีเกาะนี้แล้วทุกคนก็ให้ออกจาก ที่พักมารวมกันที่ศาลานี้เพื่อแก้ไขอุปสรรคท่นนั่นต่อไปเมื่อทากติกาสัญญากันแล้วต่างรูปต่างก็ไปอยู่ที่อยู่ของตนของตนต่างก็ทาความเพียรจะเริยนอาการสามสิบสองเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้โยมาวันหนึ่งแม่ของนายบ้าน ทำน้ำปานะเสร็จแล้วก็ถือออกไปสู่วัดสู่สถานที่พระอยู่ไปสู่ศาลาแล้วก็มีคนเฝ้าศาลาอยู่คนหนึ่งวันนีแ้แม่ของนายบ้านกดถามคนเฝ้าศาลาว่าพระท่านไปที่ไหนกันหมดโอ้พระท่านก็ไปหา ทำความเพียรภาวนาอยู่ในป่านี่แหละตามทยาสัยของตนทำอย่างไรถึงจะได้พบกับท่านก็ตีเกาะนี่แหละขึ้นมอกรั้นเมื่อท่านได้ยินเสียงเกาะแล้วก็จะออกมาแม่ของผู้ใหญ่บ้านนั่นก็ไปตีเกาะเข้าไปพระเหล่านั้นได้ยินแล้วก็พากันเตรียมโตรออกมาสู่ศาลา แล้วแม่นายบ้านนั้นก็ลินน้ำปานะถวายพระตั้งสามสิบรูปแล้วให้ได้ดื่มกันเพื่อแก้กระหายเสร็จแล้วแม่นายบ้านนั้นก็ถามพระผู้เป็นหัวหน้าว่าพวกท่านไปอยู่ป่านั้นไปเพื่อทำอะไรมาท่าน พรผู้หัวหน้าท่นก็อกว่าพว ก, กจะมาไปเพื่อเจริญภาวนาโอ้เจริญภาวนานี่ยมันดียังไงอก็เจริญภาวนานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางพ้นทุกข์ได้โอ้ดิฉันก็อยากพ้นทุกข์นี่อย่างชาวบ้านอย่างนี้นะ ภาวนาไม่ได้หรือว่างั้นใครก็ได้ทั้งนั้นหรืว่าจะมีศรัท ธ, ธาเหือั้นถ้าอย่างนั้นที่ฉันก็มีศรัท ธ, ธาขอให้พระคุณเจ้าสอนกรรมฐานให้ด้วยท่านก็เลยสแสดงอาการสาวสองเนี่ยผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเรื่อยจนถึงที่สุด เยื่อในกระดูกคุณเนะีอันนี้แม่นายบ้านเป็นผู้มีอุปนิสัยวาสน า, ามารมีแก่กลา้าพอสมควรอยู่แล้วเพื่อนเรียนเพื่อนก็จจำเอาได้ง่ายจำมาแล้วพระเถระท่านก็นเลยแนะนำสั่งสอนให้เป็นนั่งสมาธิอย่างนี้อย่างนี้แล้วเข่งพิจารณาร่างกายนี่แหละแยกแยะออกเป็นส่วนๆออกไป ผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหึ่งฟันก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่ ง, น ง, ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกก็กองหนึ่งไปโดยลําดับอย่างนี้แหละว่างั้นแล้วก็มาถามจิตใจตัวเองว่าที่ไหนว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะ่อมีตรงไหนนั่นก็กองผมนั่นก็กองขนนั่นก็กองเล็บ นั่นก็ค้องควันนั่นก็คล้องนังแล้วอย่างนี้ที่ไหนเป็นตัวตนของเราจริงจังมันก็จะได้ตอบตนเองได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนสักหน่อยเดียวควเหเมื่อนแยกอาการของร่างกายนี้ออกไปแล้วมันก็เป็นส่วนๆเอาไฟเผาแลว้วมันก็ยังเหลือแต่เท่า ก, กระดูกเท่านั้นให้พิจารณาลงไป ให้ถึงความจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางจะได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราล้วก็จะได้เป็นหนทางคนทุกไในสงสารอันนี้ไปได้อุบาสิกาได้ฟังอย่างนั้นแล้วกลับไปบ้านก็ไปเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่พระพันแนนาสั่งสอนไม่นานอุบาสิกาน้นก็ได้สำเร็จอนาคามีผล แต่พระสามสีบรูปนั้นยังไม่สำเร็จพักผลอะไรเลยอุบาสิกาในอยู่พิจารณาดูเพราะว่าเป็นผู้ใดสำเร็จอนาคามีแล้วออพร้อมด้วยปรัจิตตวิชายญาณรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยอุบาสิก า, าในจะได้พิจารณาดูจิตของพระภิกษุเหล่านั้น ก็เห็นว่ายังไม่ได้สำเร็จพระขนสักครูปเดียวทั้งนี้เพราะอะไรก็รู้ได้ว่าเพราะขัดข้องเรื่องอาหารอาหารไม่ถูกกับธาตุเมออื่ออุบาสิการู้อย่างนี้แล้ววันต่อมาก็ได้ทำอาหารใสภาชนะหลายอย่างออแล้ววันนี้ท่าน พระเถระเรา่า น, นก็นิมนต์นิมนต์ท่านพระเถระเหล่านั้นขึ้นบนเรือนแล้วบาทิการนี่ยก็เอาถาดอาหารนั่นถวายให้พระเถระลงไปขอให้พระคุณเจ้าเลือกเอาตามที่มันถูกกับธาตุเหมือนั้นท่านก็เลือกเอาอาหารที่มันถูกกับธาตุใส่บาทรใส่บาตรตัวเองก็ส่งต่อกันไปองคไหนอาหารชนิดไหนมันถูกกับธาตุ ก็หยิบใส่บาทตัวเองไปอย่างนี้จนทั่วทั้งสามสิบรูปเมื่อท่านในฉันอาหารนี่มันถูกกับทา่านนั้นแล้ววะนี้ก็การเจริญสมถะอุปัฒนาก็คล่องแคล่วร่างกายก็ไม่อึดอัดหรือไม่ขัดข้องอันนี้อาหารก็ไม่ทับทาดอย่างนี้ ท่านเหล่วนั้นพยายามบำเพ็ญอยู่ไม่นานน่อุบาสิกาจัดอาหารให้พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นฉันเลื่อยมาเป็นเหตุให้ท่านได้ทำความเพียครคล่องแคลวดีไม่ไม่นานพระทั้งสามสิบรูปนั่นก็ได้สำเร็จพระอรหั ต, ตผลด้วยการทั้งหมดเลย อย่างนี้แหละเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วจึงได้พากันด้วยการทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้ว จึงได้พากันลาอุวาสิกากับชาวบ้านกลับไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาทรงไถยถามถึงสุขถึงทุกข์ในการบําเพ็ญสมณะธรรมพระผู้หัวหน้าก็ได้กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์บําเพ็ญสมณธรรมไม่ขัดข้องกับเอาศัยมหาอุบาสิกา ในหมู่บ้านนั้นได้จัดอาหารให้ฉั น, นมันถูกกับธาตุอ่างนั้นอาหารก็เลยไม่ทับธาตุให้ต่างคนต่างรูปก็ะมีร่างกายปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนได้ประกอบความเพียรเต็มที่ก็จึงได้หลุดท้นจากกิเลสตัณหา เพราะอาศัยมหาอุบาสิกาผู้มีปัญญาท่านนั้นเองว่างั้นไหมบัดนี้ก็มีพระองค์หนึ่งได้ฟังอยู่ในขณะนั้นน่ะเอมหาอุบาสิกานี่จะรู้ว่าจิตของคนได้จริงๆหรือว่างั้นเอาน่ะเราจะลงไปทดลองดูทีว่าเป็นยังไงว่างั้น มันนี่ก็เดินทุ ด, ดงไปรูปเดียวเลยพระนุ่มอ่ะเดินไปพอดีไปถึงที่ศาลานั่นก็นึกในใจนึกแต่ใกล้จะถึงศาลาหน่นยก็โอ้เรานี่เดินทางเหน็ดเหนื่อยแล้วเกินนะถ้าอุบาสิการู้จิตความคิดความประสงค์ของเรา ก็ขอให้ทําน้ําปานะมาถวายด้วยว่างนั้นนะพอคิดอย่างนี้ก็ไปถึงศาลาไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาไม่นานเกินรออุบาสิกาคนนาน้ําปานะมาถวายภิกษุหนุ่มรูปนั่นนะอภิกษุหนุ่มรูปนั่นก็สะดุ้งเลยวะนี้แหมอุบาสิกาในรู้จิตของเรารู้ความคิดของเราจริงจริเนี อย่างนี้นี่เราเป็นพุทธชนนี่ถ้าเราคิดไปในทางไม่ดีไม่งามแล้วอุวาสิกาจะทักเราชีบหายเลยแบบนี้ว่างั้นเราก็จะขายหน้าเลยอยู่ไปไม่นา น, า ห, นหนีจากสำนักนั้นไปกลับไปเฝ้าพระศาเดาก อ, องค็ ถ, ถามทำไมถึงไปแล้วกลับมาเร็วเหลือเกินว่างั้น พระศิกย์สูงนั้นก็กราบทูลเรื่องราวที่เป็นมาอย่างว่าให้พระศาสด า, าได้ทรงทราบ พ, พระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าพระองค์นี้ไปอยู่ที่นั้นนะจากบําเพ็ญสมณธรรมไปจะได้สําเร็จในสถานที่นั้นพระองค์เจ้าจึงแนะนําให้ไปอยู่ที่นั่นอีกพระองค์นั้นก็อดอ้อนไม่อยากไปพระองค์เจ้าก็รับสั่งว่า เธอไปแล้วเธอก็สำรวมจิตให้ดีนสิอย่าไปคิดนอกรูนอกทางออกไปสำรวมจิตให้อยู่ภายในจเจริญพระ ก, กรรมฐานพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยใครจับผิดเราไม่ได้ดอกเหมือนพอได้อุบายจางภาษาตสดาแล้วพระองค์นั้นก็เดินทางไปพักอยู่ที่เก่าตามเดิม วนันนี้พอไปถึงพระลาองค์นั้นก็ไม่อะไรแล้วสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ไม่ค่อยพูดจ้ามากมายกายคล้องอะไรพูดแต่ในสิ่งที่จำเป็นนั้นพระ อ, องค์นั้นเจริญพระกรรมฐานอยู่ไปมาไม่ท้อไม่ถอยอในคืนหนึ่ง พระองค์นั้นเจริญพระกรรมฐานไปก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นขั้นขั้นไปในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตะผลมเมื่อสำเร็จอรหัตตะผลแล้วมาพิจารณาดูอุบาิกานี่ก็รู้ได้เลยด้วยงานอติตังตยาน างนานนรึกชาติโน้หลังในอดีตได้ว่าอุบาสิกาคนนี้เคยเป็นเมียของท่านมาแต่ก่อนหลายชาติแต่แล้วอุบาสิกานี่ก็ได้ได้ยุให้ชายชู้มาฆ่าท่านตายในชาติหนึ่งว่างั้นแหมอุบาสิกานี่จจใจถอยแล้วเกินว่างั้นวันนี้นะอืม ขอท่า น, นึกอย่างนี้อุปาิกาก็ตามรู้ความคิดของภิกษุองค์นั้นนะ่ะท่านกบพูดมาในในกระแสะจิตนั่นแหละเออท่านมองเห็นตั้งแต่โทษของนิฉันขอให้ท่านพิจารณาถอยหลังคืนไปชาติที่ร้อยนั้นนะ่ะท่านจะรู้เลยแหละว่าใคร ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่งนั้นใครทําใครให้มีความสุขความสบายพระองค์นั้นก็พิจารณาถอยไปถอยไปถึงชาติที่ร้อยนั้นจึงไปเห็นอุบาสิกานี่สละชีวิตเพื่อตนในชาตินั้นนะเอออุบาสิกานี่ก็มีคุณต่อเรามากมายได้สละชีวิตเพื่อเราอยางั้น ท่านองค์นั้นมาพิจารณาดูอายุสังขารของตนเห็นว่าหมดแล้วอยู่ไปไม่ได้อีกแล้วท่านก็เลยนิพพานเสียในคืนนั้นเลยอัอนนี้แหละที่นำมาแสดงสู่ฟังนี่นะเป็นอันว่าคนเรานี่นะอันจะได้มรรคไดผลนี่ไม่ใช่ว่า ทำความดีเพียงเล็กน้อยแล้วจะให้มันได้เลยมันเป็นไปไม่ได้คอยเข้าใจต้องสังสมบุญกุศลไปเรยเรอยเมื่อบุญกุศลมันแก่กล้าเมื่อใดเข้าขั้นที่จะได้มรด้ผลเมื่อใดแล้วบุญกุศลถ้าโดนบันดาลให้ได้ไปพบท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเข้า อันแนะนําในทางที่ถูกต้องบําเพ็ญไปก็ได้สําเร็จตามเป้าหมายจริงๆเลยปานี้เหมือนอย่างมหาอุบาสิกาคนนั้นแหละทั้งที่พุทธศาสนายังไม่ได้เผยแพร่เข้าไปถึงเลยมีแต่พระภิกษุหนุ่มเหล่านั้นเป็นพวกแรกเลยเดินทางไปสู่หมู่บ้านนั้นแต่ว่ามหาอุบาสิกาคนนั้นเพื่อนมีอุปนิสัย ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไปเห็นพระเขาลก็เกิดศรัทธาเรื่มใสขึ้นเลยลเราจึงได้นิมนต์ให้ท่านยูและปฏิบัติอุปถาคท่านสอนกรรมาฐานให้เพื่อนไปเจริญภาวนายังได้มักได้ผลก่อนพระอีกซ้ำเนี่ยเรื่องบุญบารมีนี่นะขอให้เข้าใจ ดังนั้นผู้ที่บําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมนี่นะต้องทําใจเย็นเย็นทำใจหนักแน่นเราจะไปทําใจร้อนไม่ได้จะทําใจน้อยน้อยอกน้อยใจก็ไม่ได้ต้องทําใจเย็นเย็นแล้วก็ทำใจให้หนักแน่นตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไป เอยเจริญกรรมฐานอะไรแล้วจิตใจมันสงบลงได้แม้จะไม่นานก็ตามแต่เราก็พยายามเจริญกรรมฐานอันนั้นเนืองเนืองแล้วจิตมันจะสงบลงเมื่อเพียรพยายามเจริญอยู่นั้นความสงบมันก็ค่อยนานเข้านานเข้าแหลยมเมื่อทําเพียรไม่ถอยนะ เดี๋ยวว่าจิตใจมันเดินถูกทางแล้วอย่างนี้นะมันถึงสงบลงได้ถ้ามันไม่ถูกทางแล้วมันไม่สงบลง เ, เป็นอย่างนั้นให้สันนิฐานดูทุกคนแหละ เ, เมื่อเราเจริญภาวนาอย่างนี้นะใจไม่สงบอย่างนี้ก็แสดงว่าตั้งจิตไว้ในกรรมฐานอนนั้นไม่ถูก หรือกรรมฐานสนิดนั้นไม่ถูกกับจริตของตนอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นะระลึกเจริญกรรมฐานอย่างอื่นลองรู้แต่ว่าการเพ่งลมหายใจเข้าออกนั้นนะอันนี้ถืออาเป็นหลักเลยถ้าผู้ใดทิ้งลมหายใจเข้าออกนั้นแล้วจิตใจจะไม่มีวันรวมลงได้สงบลงได้เลย เมื่อใจมันจับรลมหายใจเข้าออกได้แล้ววัางนี้เราจะเจริญกรรมาฐานอะไรเช่นจะนึกถึงความตายอย่างนี้นะมันก็มันก็เห็นแจ้งในความตายแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าขึ้นพื่ว่าเกิดปามีรูปมีนามมีขันนานี่มาแล้วคนตายไปไม่ได้เลย อันนี้ทำไมหนอถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ขันหานี้เมื่อพิจารณาลงไปอันนี้จะเกิดความสังเวชสลดใจนี่แล้วก็จะต้องชี้แจงให้ตัวเองได้ทราบว่าการเนื่องมาแต่ตนสร้างบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้ายังไม่เข้าขั้นที่จะหลุดพ้นจากโรคโรครีอันนี้ไปได้ขอเหตุนั้นมันถึงได้มาเกิด อยู่ในโลกนี้อีกอดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องสร้างบุญบา ร, รมีไปทำความเพียรทางกายทางวาจาทางจิตใจไปให้สม่าเสมอไปไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปให้พอดีพอ ด, พอดีความประพฤตทางกายก็ดีทำการงานอะไรก็อย่าให้มันเกินขอบเขต แล้ววาจาคําพูดก็ดีเราต้องพูดแบบระมัดระวังอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมไปและอย่าพูดมากเกินไปแม้ไม่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่ถ้าพูดมากเกินเวล่เวลาไปมันก็ไม่ดีอ่าไม่ดีอย่างนั้นต้องต้องให้เป็นทางสายกลางการทําการพูดทีนี้ทางจิตใจก็พยายามทําให้เป็นกลาง อย่าให้มันเอียงไปข้างรักข้างชังข้างโรกรธเกลียดต่ออะไรต่ออะไรในโลกนี้แต่นิสัยของคนธรรมดาสามัญอะมันมีติดปาทุกคนนะเมื่อใครทําอะไรไม่ถูกกถูกใจแ้มันเกลียดชังขึ้นมาเลยอย่างนี้นะไม่พอใจขึ้นมาอมเมื่อเรามาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็อย่าให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้น ถ้าปล่อยให้ใจแ ป, ปรใจเป็นอย่างนั้นอยู่กิเลสมันก็ไม่แห้งเลยความโลภโกรธหลงอะไรมันก็ไม่แห้งเลยไม่เบาบางเลยอเป็นอย่างนี้ดังนั้นต้องมีสติสมบัติยากควบคุมจิตไว้แม้จะได้ทําอะไรกับใครพูดจาฟาไซกับใครก็ดีหรือว่าตาได้เห็นหูได้ยินอะไรก็ดี อย่างนี้ก็ต้องมีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันเอียงไปข้างรักข้างชางข้างหลงข้างโกรธเกลียดทั้ทงๆข้างเอียงไปข้างเศร้าโศกเสียใจทั้งๆพวกนี้นะอย่าให้มันไปเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้อยู่เสมอไป อ, อันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ จเจริญมรณาสติกรรมฐานแล้วเห็นเห็นว่าพันห้านี่เป็นของแตกของดับไม่พ้นไปได้เลยอย่างนี้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วก็พยายามบำเพ็ญกายวาจานี้ฮ้มันเป็นสายกลางเข้าไปเช่นนี้หละจึงจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ถ้าบุคคลใดจะมีความรู้มากอะไรก็ช่างนะ ถ้าทําจิตให้เป็นกลางไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะทนทุกไปได้ดังนั้นแหละขอให้พากันกระทาจิตใจของตนให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งพร้อมด้วยความรู้ความฉลาดอย่าชักแต่ว่าเป็นกลางอยู่เฉยๆต้องมีปัญญากํากับพร้อมด้วยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้